การประเคนการประเคนคืออาการที่น้อมถวายสิ่งของแก่พระการประเคนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องจำเป็นที่พระและโยมควรต้องทราบเพราะว่าพระเองก็รับประเคนอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันโยมก็ถวายพระอยู่ทุกวันทั้งพระและโยม จึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะทำอย่างไรก็ได้ควรศึกษาเรื่องวิธีการประเคนและวิธีการรับประเคนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะพระรโยมมีความเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำถ้าหากว่าพระเข้าใจถึงวิธีการประเคนและวิธีการรับประเคนอย่างถูกต้อง ตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วก็จะสามารถนำไปแนะนำสั่งสอนญาติโยมโดยชี้ผิดชี้ถูกให้ญาติโยมทั้งหลายมีความรู้ซึ่งบางคนเข้าใจเรื่องการประเคนที่ผิดอยู่จะได้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องส่วนผู้ที่เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนโยมนั้นถ้าเข้าใจถึงเรื่องวิธีการประเคนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับตนซึ่งเป็นผู้ถวายอย่างถูกต้องดีแล้วก็จะประเคนได้อย่างถูกต้องทั้งยังช่วยป้องกันพระไม่ให้เป็นอาบัตและช่วยเผยแพร่คำสอนที่ถูกต้องนี้ไปยังญาติสนิทมิตรสหายของตนให้เข้าใจสืบต่อไปอีกด้วย การรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่นั้นจึงต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับตนอยู่เป็นประจำให้เข้าใจดีร่วมกันอย่าปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของพระหรือโยมแต่เพียงฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระพุทธศาสนาได้ร่วงการผ่านเวลามานานพอมาถึงยุคนี้ ย่อมมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากเดิมเกิดขึ้นมากมายการประเคนที่ไม่ถูกตามพระวินัยเรื่องการประเคนก็เช่นเดียวกันมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปทำให้มีการประพฤติปฏิบัติที่ต่างกันออกไปด้วยอาจารย์บางท่านสอนว่า การที่ญาติโยมนำอาหารหวานข้าวมาวางไว้บนโต๊ะที่หอฉันพางพูดว่าผมเอาอาหารมาถวายนะครับเช่นนี้โดยไม่ต้องรับประเคนซ้ำอีกถือว่าใช้ได้แต่โยมบางคนก็ไม่พูดอะไรเอามาวางไว้เฉยๆการทําอย่างนี้ถือว่าให้แล้วหรือประเคนแล้วไม่ต้องประเคนซ้ำอีก ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอาจารย์บางท่านสอนว่าการประเคนนั้นผู้ประเคนต้องยกของให้ขึ้นสูงจากพื้นพอแมวรอดได้หรือสูงจากพื้นประมาณหนึ่งกำมืออาจารย์บางท่านสอนว่าให้เอาอาหารหวานคาวทั้งหมดที่จะประเคนมาต่อกัรเป็นแถวยาวพระจับข้างนี้โยมจับข้างโน้น ก็ถือว่าประเคนแล้วเรียกว่าการประเคนแบบจับชนกันหรือจับช็อตกันซึ่งเป็นวิธีการประเคนที่ได้รับความนิยมอย่างมากและทำกันอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทเพราะทำง่ายไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาอาจารย์บางท่านสอนว่าถ้าไม่มีโยมมาประเคน ก็ให้ใช้มือจับของนั้นแล้วพูดว่าอิมังบางสุกูรังอัสสามมิกลางหมหังปาปุนาติแปลว่าของบางสุกุลนี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่เราเสร็จแล้วนำมาฉันได้ไม่เป็นอาบัตเรียกวิธีนี้ว่าบางสุกุลฉันอาจารย์บางท่านสอนว่า การรับประเคนครั้งเดียวฉันได้จนหมดถ้าไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ฉันวันต่อต่อไปแม้หลายๆวันก็ได้ลักษณะเช่นนี้ก็มีอาจารย์บางท่านสอนว่าถ้าหาคนประเคนยากพระอยากจะฉันมะม่วงมะขามและมะพร้าวเป็นต้นเมื่อมีโยมวัดเดินผ่านมาก็ใช้ให้โยมประเคนทั้งต้นเลย พระต้องการฉันเมื่อไรก็ใช้ไม้สอยเอามาฉันได้ตลอดวิธีประเคนก็ให้โยมจับต้นมะม่วงข้างหนึ่งพระจับข้างหนึ่งก็ชื่อว่าประเคนแล้วเรียกว่าประเคนกันทั้งต้นเลยทีเดียวฉันได้จนหมดลูกเมื่อมะม่วงออกลูกใหม่ก็ประเคนกันใหม่อีกเป็นต้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงมติ ความเห็นของอาจารย์บางสำนักเท่านั้นที่สอนกันและประพฤติกันอยู่ท่านเหล่านั้นบางรูปเป็นพระเกจิชื่อดังบางรูปเป็นพระนักปฏิบัติบางรูปเป็นพระเทพระผู้ใหญ่ซึ่งมีผู้คนนับถือมากบางรูปก็เป็นพระหลวงปู่หลวงตาธรรมดาทั่วๆไปจะเป็นพระอะไรก็ตาม ถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนเรื่องพระวินัยให้ดีแล้วก็จะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกได้แต่ประพฤติทำตามตามกันมาอาจารย์ของท่านพาทำอะไรก็ทำตามอาจารย์คิดว่าถูกต้องแล้วถ้าผิดอาจารย์ท่านคงไม่พาทาการทำอะไรตามกันมาเป็นเวลานานๆเช่นนี้ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป บางครั้งเรื่องที่ผิดก็คิดว่าถูกเรื่องที่ถูกก็คิดว่าผิดหรือพระบางรูปก็ศึกษาเล่าเรียนพระวินัยมารู้ผิดรู้ถูกแต่ก็เพราะความเห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนต่อความหิวไม่ได้หรืออาจเป็นเพราะมักง่ายจึงทำอะไรง่ายๆจนละเลยและมองข้าม ถึงวิธีการประเคนที่ถูกต้องไปหรือจะมีข้ออ้างอื่นๆที่ไม่ถูกไม่ควรก็ตามการเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดานั้นก่อนที่จะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรควรคำนึงถึงพระวินัยเป็นหลักอย่าเอาแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ หรือความสะดวกสบายต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามพระธรรมวินัยนี้ด้วยไม่ใช่เอาแต่ความถูกใจเป็นหลักอย่างเดียวต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบโดยเฉพาะพระบาลีอัตถกถาและดีกาที่ท่านวางไว้เป็นแบบอย่างมูลเหตุที่ทรงบัญญัติให้มีการประเคน ดังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีพิสุรูปหนึ่งเป็นผู้มีปกติถือของทุกอย่างเป็นบางสกุลอาศัยอยู่ในป่าช้าท่านไม่ต้องการรับอาหารที่ชาวบ้านถวายเที่ยวถืออาหารเครื่องเส้นเจ้าตามป่าช้าบ้าง ตามคนไม้บ้างตามธรณีประตูบ้างมาฉันเองชาวบ้านก็พากันเพ่งโทษติเตียนว่าฉะไหนพิสุจน์นี้จึงเอาอาหารเครื่องเส้นเจ้าของพวกเราไปฉันเองเราพิสุจนี้อ้วนลำ่ำบางทีอาจจะฉันเนื้อมนุษย์ก็เป็นได้พวกพิสุได้ยินชาวบ้านพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนอยู่ ได้นำเนื้อความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ทรงติเตียนพิสุนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าอันหนึ่งพิสุใดกืนกินอาหารที่เขายังไม่ได้ประเค้ให้ร่วงรำคอเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชํำระฟันเป็นปาจิตตีดังนั้น อาหารที่ญาติโยมยังไม่ได้ประเคนพระไม่มีสิทธิ์จะหยิบมาฉันได้เลยยกเว้นน้ำดื่มและไม้ชำระฟันการประเคนที่ถูกนั้นต้องมีองค์ประกอบครบห้าอย่างคือ 1. สิ่งนั้นไม่ใหญ่จนเกินไปบุุษมีกำลังปานกลางพอยกได้ 2. เข้ามาในหัตถบาท 3. น้อมเข้ามาถวาย 4. ผู้ประเคนเป็นเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ 5. พิสุรับประเคนสิ่งของนั้นด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายอธิบายองค์ประกอบของการประเคน 1. สิ่งของนั้นไม่ใหญ่จนเกินไป บุรุษมีกำลังปานกลางพอยกได้ยมจัดอาหารหวานคาวจำนวนมากไว้บนโต๊ะที่ไม่ใหญ่และไม่ยาวนักอาหารรวมทั้งโต๊ะนั้นบุรุษผู้มีกำลังปานกลางสามารถยกขึ้นได้ลาพังคนเดียวแต่เวลาประเคนโยมหลายๆคนจะช่วยกันยกประเคนพร้อมกันก็ใช้ได้ ถ้าโต๊ะใหญ่และยาวอาหารก็มากบุรุษผู้มีกำลังปานกลางยกขึ้นไม่ไหวถึงแม้โยมหลายคนช่วยกันยกประเคนการประเคนนั้นก็ใช้ไม่ได้ 2. เข้ามาในหัตถบาทเข้ามาในหัตถบาทคือหัตถบาทหนึ่งนั้นเท่ากับสองศอกคืบดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า สองศอกคือพึงทราบว่าหัตถบาทหนึ่งโดยกำหนดอย่างนี้ว่าถ้าพิสุนั่งกำหนดตั้งแต่ริมสุดด้านหลังของอาสนะไปถ้านับจากเข่าไปหนึ่งศอกคืบถ้ายืนกำหนดตั้งแต่ที่สุดส้นเท้าไปถ้านอนกำหนดตั้งแต่ที่สุดด้านนอก แห่งสีข้างที่นอนไปด้วยที่สุดด้านในแห่งอวัยวะที่ใกล้กว่าของทายกผู้นั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยกเว้มือที่เหยียดออกหัตถบาททางอากาศกำหนดเอาสีรระของผู้ยืนอยู่เป็นเกณฑ์ท่านกล่าวไว้ว่าบรรดาผู้ให้ และผู้รับประเคนฝ่ายหนึ่งอยู่บนอากาศฝ่ายหนึ่งอยู่บนพื้นดินพึงกำหนดประมาณหัตถบาต ท, ทางศีรษะของผู้ยืนอยู่บนพื้นดินเพื่อให้หรือเพื่อรับถ้าฝ่ายหนึ่งอยู่ในบอ่ออีกฝ่ายหนึ่งอยู่ปากบอ่อหรืออีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนต้นไม้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนแผ่นดิน ก็พึงกำหนดหัตถบาทโดยในดังกล่าวนกเอาปากคาบดอกไม้หรือผลไม้ช้างเอางวงจับดอกไม้หรือผลไม้ถวายอยู่ในหัตถบาทพระรับประเคนการรับประเคนนั้นใช้ได้พระนั่งอยู่บนคอช้างสูงเจ็ดศอกคืบ จะรับของที่ช้างนั้นถวายด้วยงวงก็ควรเหมือนกันคนทั้งหลายโยนของข้ามรัว้วหรือกำแพงถ้ากำแพงไม่หนามากหัตถบาศเพียงพอแก่ผู้ยืนอยู่ภายในกำแพงและภายนอกกำแพงไม่เลยหัตถบาศพิสุจะรับของที่โยนขึ้นสูงแม้ตั้งร้อยศอก แล้วตกลงมาถึงก็ควรเหมือนกันอธิบายเรื่องหัตถบาทหัตถบาทแปลว่าบ่วงแขนหรือช่วงแขนหนึ่งหัตถบาทยาวเท่ากับสองสอกหนึ่งคืบหัตถบาทนั่งเมื่อพระนั่งรับประเคนให้กำหนดหัตถบาทตั้งแต่ริมสุด ของสะโพกด้านหลังไปข้างหน้าสองสอกหนึ่งคืบถ้านับจากหัวเข่าออกไปหนึ่งอกคืบหัตถบาายืนเมื่อพายืนรับประเคนการรับบินบาตก็ชื่อว่าเป็นการรับประเคนด้วยให้กำหนดหัตถบาทตั้งแต่ที่สุดส้นเท้าด้านหลังไปข้างหน้าสองสอกหนึ่งคืบ หัตถบาทนอนเมื่อพระนอนรับประเคนให้กำหนดหัตถบาทที่สุดสีข้างด้านนอกไปคือถ้าโยมผู้ถวายอยู่ด้านขวามือพระให้นับหัตถบาทสีข้างด้านซ้ายไปหาด้านขวาโยมผู้ถวายอยู่ด้านซ้ายมือพระให้นับหัตถบาทจากสีข้างด้านขวา ไปหาด้านซ้ายสองซอกหนึ่งคืบ 3. การน้อมเข้ามาถวายเป็นการให้ด้วยความเคารพและอ่อนน้อมเวลาโยามมาถวายอาหารถ้าการน้อมถวายยังไม่ปรากฏไม่ควรรับถ้าโยมน้อมกายหรือศีรษะลงมาเพียงเล็กน้อยก็รับประเคนได้ ท่านกล่าวไว้ว่าทายกคนหนึ่งทูลเทินภาชนะเข้าสวยและกับข้าวเป็นอันมากไว้บนศีรษะมาที่วัดยืนพูดว่านิมนทท่านรับเถิดการน้อมถวายยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรรับแต่ถ้าเขาน้อมมาแม้เพียงเล็กน้อย พิสุเหยียดแขนออกรับภาชนะอันล่างด้วยอาการรับเพียงเท่านี้ภาชนะทั้งหมดเป็นอันประเคีนแล้ว 4. ผู้ประเคีนเป็นเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ผู้ประเคีนจะเป็นใครก็ได้เว้นพิสุจะเป็นพระพรหมพระอินเทวดานา พรุฑยักษ์เปรตอสุรกายผู้ผีปีศาจมนุษย์ชายหญิงและสัตว์เดรัจฉานมีช้างลิงนกสุนัขเป็นต้นประเคนได้ทั้งหมด 5. พิสุรับประเคนสิ่งของนั้นด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกาย การรับประเค้นสิ่งของด้วยกายคือเวลาโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายนำเอาอาหารมาถวายพระใช้มือรับสิ่งของได้แต่ประเทศไทยไม่นิยมรับอาหารจากมือโยมผู้หญิงโดยตรงเพราะเกรงว่ามือจะไปถูกต้องกันเข้าและดูไม่งามหรือเพราะเกรงว่าเมื่อพิสุมีจิตยินดี ด้วยราคะอาจทำให้ต้องอาบัดทุนลัดใจได้เพราะจับของที่เนื่องด้วยกายเช่นพระมีความกำหนัดที่จะจับต้องกายหญิงแล้วไปจับของที่เนื่องด้วยกายมีเสื้อเป็นต้นรับประเคนสิ่งของเนื่องด้วยกายคือใช้วัตถุรับประเคนแทนกายเช่นบาท ถาดถ้วยโถ ổ, จานผ้าแผ่นหนังกระดานหรือใช้ใบไม้ใหญ่พอที่จะวางของได้มีใบบัวใบบอลใบสักใบทองกวาวเป็นต้นพระใช้วัตถุเหล่านั้นรับะเけนของจากมือโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายได้ทั้งนั้น ถ้าใบไม้เล็กๆเช่นใบมะขามใบพุทราเป็นต้นใช้รับประเค้นไม่ได้เพราะไม่สามารถจะวางของได้ถวายสิ่งของด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายถวายสิ่งของด้วยกายคือใช้มือจับอาหารยกถวาย ถวายของเนื่องด้วยกายคือใช้กระบวยหรือทับพีเป็นต้นตักข้าวปลาอาหารถวายถ้าโยมผู้ถวายนั่งหรือยืนเลยหัตถบาศแล้วประเคนสิ่งของนั้นการประเคนนั้นใช้ไม่ได้พระจะต้องบอกให้เขาเข้ามาใกล้ๆ ใ, ให้ได้หัตถบาทแล้วค่อยประเคน จึงจะใช้ได้ดังท่านกล่าวไว้ว่าถ้าทายกยืนเลยหัตถบาทไปเอากระบวยคันยาวตักถวายพระควรบอกเขาว่าเข้ามาใกล้ๆหน่อยโยมถ้าเขาไม่ได้ยินหรือไม่สนใจเทลงไปในบาทพระต้องรับประเคนใหม่แม้ในคนผู้ยืนอยู่ห่าง โยนก้อนข้าวไปถวายก็เช่นกันรับประเคตแล้วสัมมเนนหรือญาติโยมจับต้องอาหารได้พระส่วนมากรวมทั้งโยมด้วยมีความเข้าใจกันมานานแล้วว่าสิ่งของที่ถวายพระแล้วหรือพระรับประเคตแล้วสัมมเนนหรือญาติโยมจะจับต้องอีกไม่ได้ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามของนั้นจะขาดประเคีนทันทีต้องถวายใหม่ทั้งหมดไม่อย่างนั้นพระจะฉันไม่ได้หากคืนฉันไปพระจะต้องอาบัติโยมบางคนโดยเฉพาะเจ้าภาพพอประเคีนพระแล้วก็อยากจะช่วยจัดอาหารหวานข้าวให้เข้าที่เข้าทางจึงช่วยจัด พระบางรูปโกรธตวาดไปด้วยเสียงดังว่าของประเคนแล้วมาจับต้องได้ยังไงมันขาดประเคนนะบางครั้งพระหลายรูปต้องวุ่นวายช่วยกันห้ามปาลมโยมเป็นการใหญ่และต้องให้โยมยกประเคนใหม่เรื่องนี้นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังทำให้โยมเจ้าภาพ คอไม่สบายใจที่ต้องทำให้พระขุนเคืองการทำบุญน่าจะทำให้จิตใจผ่องใสแต่กลับทำให้ใจของโยมเศร้าหมองเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องการขาดประเคนนี้ยังมีพระพิสุจำนวนไม่น้อยเข้าใจกันผิดๆอยู่ความจริงแล้วจะเป็นสามเณรหรือโยมก็ตาม จับต้องอาหารที่พระรับประเค้นไว้แล้วจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของนั้นยังไม่ถือว่าขาดประเคนแต่อย่างใดพระฉันได้ไม่เป็นอาบัตดังท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากพระพิสุยังมีความเยื่อใยอ ย, อยู่วางบาตรไว้บญเชิงรองบาตรพูดกับสัมเนนว่าเธอจะเอาขนมหรือข้าวสวยจากบาตรนี้ไปฉันก็ได้ สามเณรล้างมือของตนให้สะอาดแล้วหยิบเอาขนมหรือข้าวสวยจากบาทของพระไปตั้งร้อยครั้งโดยไม่ถูกต้องอาหารในบาทของตนบาทของสั ม, มนเณรแล้วนำมาปนกับอาหารในบาทนั้นของพระไม่มีกิจที่จะต้องประเคนใหม่แต่ถ้าสา ม, มนเณรถูกต้องอาหารที่อยู่ในบาทของตน แล้วหยิบเอาอาหารออกจากบาทนั้นบาทของพระของนั้นปนกับของสมมามเณรต้องประเคีนใหม่พระรับประเคีนอาหารตอนเช้าแล้วสั่งโยมหรือสมมามเณรว่าเอาอาหารเก็บไว้ในตู้ให้ด้วยพอถึงตอนเพลก็เอาออกมาฉันได้ไม่เป็นอาบัตเพราะยังไม่ขาดประเคนอาหารที่พระรับประเคีนแล้วจะขาดประเคนนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสั ม, มเนียนหรือโยมมาถูกต้องอีกดังนั้นถ้าโยมหรือสั ม, มเนียนจะช่วยจัดอาหารที่รับประเคนแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อนเพื่อป้องกันฝุ่นจากมือตกลงในอาหารการขาดประเคีนมีเหตุเจ็ดประการคือหนึ่ง รับประเคนแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิงชายเปลี่ยนเป็นหญิงสองรับประเคนแล้วมรณภาพตายสามรับประเคนแล้วลาสิกขาศึกสี่รับประเคนแล้วหันไปเป็นคนเลวต้องอาบัติปาราชิกห้ารับประเคนแล้วให้สัมเณี น, นหรือขฤาหัดไป หรับประเคีนแล้วสระไปโดยไม่มีเยื่อใยเจ็ดรับประเคีนแล้วถูกชิงเอาไปหรือถูกลักเอาไปอธิบายการขาดประเคี 1. นรับประเคีนแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิงคือพระพิสุเปลี่ยนเพศเป็นพระพิสุณีชายเปลี่ยนเป็นหญิงอาหารส่วนตัวที่รับประเคีนไว้แล้ว เมื่อครั้งเป็นพาพิสุจะขาดประเคีนไปแต่หากรับประเคีนแทนพิสุรูปอื่นยังไม่ขาดประเคนีนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าแม้เพสัตว์มีน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยที่เธอรับประเคณนไว้เป็นต้นย่อมขาดประเคีนไปถ้าเพศเปลี่ยนกลับในวันที่เจ็ดแต่วันที่รับประเคีนไปรับประเคีนใหม่ ควรฉันได้เจ็ดวันส่วนสิ่งใดเป็นของพิสุรูปอื่นเธอรับประเคนไว้ในเวลาอันถูกกําหนดไว้สิ่งนั้นไม่ขาดประเคนแม้สิ่งใดที่เป็นของทั่วไปแก่พิสุสองรูปยังมิได้แบ่งปันกันปกตัตะพิสุพิสุที่ไม่ได้เปลี่ยนเพศเป็นพิสุณียังรักษาสิ่งนั้นไว้ ส่วนสิ่งใดได้แบ่งกันแล้วเป็นของเธอเองสิ่งนั้นย่อมขาดประเคนไป2รับประเคนแล้วมรณภาพคือพระพิสุที่รับประเคนอาหารเป็นต้นได้ตายไป3รับประเคนแล้วลาสิกขาคือพระพิสุปกติไม่ได้ต้องอาบัติปราชิกศึกไปเป็นสั ม, มนเนธ หรือขรืหัด 4. รับประเคณแล้วหันไปเป็นคนเลวคือพระพิสุผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วยังดำรงอยู่ในเพศของพิสุยังไม่ละปฏิญญาตนว่าเป็นพิสุคือไม่สละความเป็นพิสุสิ่งของที่รับประเคณไว้ยังไม่ขาดประเคณถ้าพิสุต้องอาบัติปาราชิกแล้วได้ละปฏิญญาตนว่าเป็นพิสุ สิ่งของที่รับประเคีนไว้แล้วจึงจะขาดประเคีนไปดังท่านแสดงไว้ว่าผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วยังดำรงอยู่ในเพศของพิสุไม่ปฏิญญาอยู่เพียงใดความเป็นพิสุของเธอก็ยังมีอยู่นั่นเองเพียงนั้นเธอจะถึงการนับว่าเป็นอนุปะสมบันขรหค์ก็หาไม่ได้เมื่อความเป็นพิสุมีอยู่ ชื่อว่าการขาดประเค้นของที่ได้รับประเค้นไว้แล้วไม่สมควรคือไม่ขาดประเค้นรับประเค้นแล้วให้สา ม, มนเณรหรือครหัตไปคือพิสุรับประเค้นบาตรเข้าสุกแล้ววางไว้บนเชิงรองบาตรถ้าไม่มีความเสียดายบอกสา ม, มนเณรว่าเธอเอาเข้าวจากบาตรนี้ไปฉันอาหารในบาตรนั้นชื่อว่าขาดประเค้นแล้ว ถ้าต้องการฉันอีกจะต้องรับประเคนใหม่ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าถ้าว่าเข้าสุขตั้งอยู่แม้บนเชิงรองบาทพิสุไม่มีความเสียดายกล่าวว่าเธอจงรับเอาไปต้องรับประเคนใหม่เพราะขาดประเคนแล้ว 6. รับประเคนแล้วสระไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่คือพิสุรับประเคนผลไม้เป็นต้นแล้วไปวางไว้ ถ้ายังมีความต้องการอยู่ยังไม่ขาดประเคีนหรือรับประเคียนผลไม้เป็นต้นแล้วถือไว้เพราะยังมีความต้องการอยู่ก็ยังไม่ขาดประเคีนเหมือนกันโดยในตรงกันข้ามรับประเคียนผลไม้เป็นต้นแล้วเอาไปวางไว้ถ้าไม่มีความต้องการด้วยของสิ่งนั้นถือว่าของสิ่งนั้นขาดประเคีนไปแล้วเพราะหมดอะไรในของสิ่งนั้น ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพิสุรับประเคีนผลไม้แล้ววางไว้เกิดมีส่วนอื่นเช่นหน่เป็นต้นเกิดขึ้นส่วนนั้นชื่อว่าพิสุรับประเคีนดีแล้วจริงอยู่ผลไม้พอพ้นจากมือพิสุผู้ยังมีความต้องการอยู่หรือยังไม่ปล่อยจากมือเพราะมีความต้องการอยู่ตราบใดตราบนั้นชื่อว่ายังไม่ละ ก, การประเคน 7. ถูกชิงเอาไปคืออาหารพระพิสุถูกพวกโจรเป็นต้นชิงเอาไปหรือลักเอาไปอาหารนั้นจะขาดประเคนไปดังท่านกล่าวไว้ว่าเพราะถูกโจรเป็นต้นชิงเอาไปเรื่องวิธีการประเคนหรือวิธีการรับประเคนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่พระได้โยมควรทราบและศึกษาให้เข้าใจเพราะพระรับประเคนของจากโยมทุกวันโยมก็ถวายของให้พระรับประเคนทุกวันถ้าวิธีการประเคนถูกต้องก็ถูกทุกวันถ้าผิดก็ผิดทุกวันหากไม่ถูกต้องจะมีผลเสียต่อพระอย่างมากเพราะพระนำไปฉันก็ต้องอาบัติปาจิตตีทุกทุกคำกืนทุกวันทุกวัน พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต่างก็มุ่งหวังความบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรูปไหนอยากต้องอาบัติแต่เพราะความไม่รู้และเพราะเชื่อคำสอนของอาจารย์บางท่านโดยสำคัญว่าท่านสอนถูกต้องดีแล้วเลยยึดถือและปฏิบัติตามกันมาพวกเราชาวพุทธ ควรยึดหลักฐานอ้างอิงจากพระบาลีอัตถกถาและดีกาอันเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งมีกฎเกณฑ์คือแบบแผนที่แน่นอนและปัเหตุผลปรงใจเชื่อถือไว้จะดีกว่าการไปยึดติดตัวอาจารย์เพียงอย่างเดียวถ้าอาจารย์สอนผิดเราเองก็จะได้รับข้อมูลที่ผิดไปด้วยการประเคนที่ถูกต้องนั้นควรยึด องค์ประเค้นและเหตุแห่งการขาดประเค้นดังที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีเป็นแบบแผนโดยไม่ไปใส่ใจกับคำสอนที่ขัดกับพระวินัยดังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่สอนกันไปคนละทิศคนละทางอีกต่อไปสรุปถ้าเข้าใจถึงวิธีการประเค้นที่ถูกต้องดีแล้ว ก็จะประพฤติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและปฏิบัติได้ง่ายขอเพียงแต่โยมเข้ามาในหัตถบาทน้อมกายลงเพียงเล็กน้อยแล้วยกอาหารขึ้นถวายโยมถวายถูกวิธีพระรับถูกวิธีแล้วนำไปฉันเป็นอันใช้ได้ไม่เป็นอาบัติอาหารที่ยังไม่ได้รับประคนพระต้องมีสติสังวร อาหารทุกอย่างที่ยังไม่ได้รับประเค้นพระไปจับต้องเข้าของนั้นจัดเป็นอุคขิิตแปลว่าถือเอาไม่ดีเพราะจับของที่ยังไม่ได้ประเค้นอาหารทุกอย่างที่โยมยังไม่ได้ประเค้นพระไม่ควรไปจับต้องเพราะเมื่อจับต้องแล้วของนั้นเป็นอุคขิตทันทีถึงจะให้โยมนำมาประเค้นใหม่แล้วเอามาฉัน พระก็ยังต้องอาบัตทุกกฎอยู่นั่นเองเวลาโยมนิมนต์พระไปทำบุญที่บ้านโยมจัดอาหารหวานขาวไว้มากมายตั้งไว้เป็นวงใหญ่เวลาประเคนโยมจับอาหารไม่ถึงพระรูปที่ท่านไม่เข้าใจพระวินยัยก็จะช่วยกันจับอาหารส่งให้โยมเพื่อให้โยมได้ประเคนสะดวกรวดเร็วถ้าท่านรูปไหน นั่งอยู่เฉยๆก็จะถูกตำหนิจากพระด้วยกันบ้างจากโยมบ้างว่าท่านนี้นั่งรอฉันอย่างเดียวนะไม่ช่วยโยมเลยเมื่อเป็นเช่นนี้รู้สึกว่าพระก็ไม่ชอบถึงโยมก็ไม่ชอบด้วยเผอๆคราวหน้าจะไม่นิมนต์เสียด้วยซ้ำการขนขวายช่วยเหลือโยมในลักษณะนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ผิดต่อพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ไม่ว่าพระจะทำโดยไม่รู้หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำเพื่อประจบโยมก็ตามไม่เหมาะทั้งนั้นการจับอาหารให้โยมถวายตนเองหรือจับอาหารให้โยมถวายพระรูปอื่นทั้งสองลักษณะนี้มีค่าเท่ากันคือรับประเคนแล้วฉันไม่ได้ไม่ควรแก่พระทุกรูป อาหารนั้นจัดเป็นอุคขิตเหมือนกันนำไปฉันต้องอาบัตทุกกดทุกรูปในกรณีโยมถวายอาหารพระแล้วโยมมาจับต้องเข้าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามพระบางรูปบอกว่าอาหารนั้นฉันไม่ได้เป็นอันขาดประเคนแต่ที่โยมยังไม่ได้ถวายพระจับต้องก่อนพระบางรูปบอกว่าใช้ได้ แปลกจริงความจริงเรื่องนี้ไม่ถูกต้องตามหลักพระวินยัยเป็นเรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องอุคขิิตนี้พระตั้งใจจับต้องอาหารเป็นต้นที่ยังไม่ได้รับประเค์จึงจัดเป็นอุคขิิตดังที่แสดงไว้ว่าหม้อน้ามันสองหม้อเขาแขวนไว้บนฟันหน้าหรือบนคอหม้อบนรับประเค์แล้ว หม้อร่างยังไม่ได้รับประเคนจะจับหม้อบนควรอยู่ถ้าหม้อล่างรับประเคนแล้วหม้อบนยังไม่ได้รับประเคนพิสุจับหม้อบนแล้วจับหม้อล่างหม้อบนเป็นอุกขิทิพิสุจับต้องเข้าสุกในบาทที่ยังไม่ได้รับประเคนแล้วจับเข้าสุกในบาทของตนอีกเข้าสุกเป็นอุกขิท ข้าวสุกในบาททั้งสองเป็นอุคหิตสามเณรต้มข้าวอยู่พิสุจับทับพีหรือกระบวยคนแล้วตักข้าวยกขึ้นข้าวต้มทั้งหมดเป็นอุคหิตอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนต่างๆที่เกิดติดเนื่องอยู่กับอวัยวะร่างกายมีน้ำตาน้ำลายเป็นต้นสิ่งใดเคลื่อนตกไปจากฐานเดิมของมัน พระจะกืนกินไม่ได้ดังที่กล่าวไว้ว่าบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีน้ำตาน้ำลายน้ำมูกเสมหะน้ำปัสสาวะอุจจาระขี้ฟันขี้ตาขี้หูเหงื่อที่เกิดในร่างกายควรทุกอย่างสิ่งใดเคลื่อนจากแหล่งของมันแล้วตกลงในบาดก็ดีที่มือก็ดี สิ่งนั้นต้องรับประเคนเสียก่อนสิ่งที่ยังติดอยู่กับอวัยวะเป็นอันประเคนแล้วแท้อวัยวะคือน้ำตาน้ำลายเป็นต้นที่กำลังตกหากขาดช่วงไปแล้วไม่ควรถือเอาในระหว่างส่วนนั้นจัดเป็นอุคหิตถึงจะประเคนภายหลังก็ไม่ควรถ้าไม่มีเจตนาคือไม่ตั้งใจจะจับ ประสงค์เพียงจะทำความสะอาดเท่านั้นหากไม้กว่าไปถูกเข้าหรือจับพาดตั้งใจจะจับของที่ประเค้นแล้วแต่ไปจับของที่ยังไม่ได้รับประเค้นวัตถุนั้นไม่จัดเป็นอุคหิตดังที่ท่านแสดงไว้ว่าภายใต้เตียงมีถ้วยน้ำมันที่ยังไม่ได้รับประเค้นถ้าพิสุใช้ไม้กวาดไปกระทบถ้วยน้ามัน น้ำมันนั้นยังไม่เป็นอุกขิติพิสุตตั้งใจว่าเราจะหยิบของที่ประเค้นไว้แล้วแต่พลาดไปหยิบของที่ยังไม่ได้ประเค้นรู้แล้วกลับวางไว้ในที่ที่ตนหยิบมาของนั้นไม่เป็นอุขหิตถ้าพิสุตตั้งใจจะเอาอาหารไปฝากสามเณรหรือโยมพ่อโยมแม่อาหารนั้นไม่เป็นอุขหิต ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพิสุเห็นผ ล, ลไม้มีมะม่วงเป็นต้นที่หล่นในป่าตั้งใจว่าเราจะเอาไปให้สา ม, มนเณรแล้วนาไปควรอยู่พิสุเห็นเนื้อเป็นเดนคือเศษเนื้อที่เหลือแห่งสีหะเป็นต้นคิดว่าเราจะให้แก่สา ม, มนเณรรับประเคีก็ตามไม่รับประเคนก็ตามนามาให้ควรอยู่ ถ้าอาจชำระวิตกให้หมดจดได้ไม่คิดว่าจะให้สามเณรประเคนแล้วฉันแค่นี้ก็ชำระวิตกได้แล้วแม้จะขบฉันอาหารที่ได้มาจากเนื้อเป็นเดนแห่งสีหะเป็นต้นนั้นก็ควรไม่ต้องโทษเพราะรับประเคนเนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องโทษเพราะของอุคหิตเป็นปัจจัย พิสุนำข้าวสารมาให้เพื่อประโยชน์แก่มารดาและบิดามารดาและบิดานั้นจัดปรุงข้าวต้มเป็นต้นจากข้าวสารนั้นนั่นเองถวายแก่พิสุนั้นควรอยู่ไม่มีโทษเพราะสันนิธิคือสั่งสมอาหารรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันในวันต่อต่อไปอีกเป็นปัจจัยหรือเพราะของเป็นอุคหิตเป็นปัจจัย พระไม่สัมรวมมือพระโรเล่ขี้เล่นมือไม่อยู่สุขชอบจับโน้นจับนี่เล่นไปจับอาหารเป็นต้นที่ยังไม่ได้รับประเคนจะนําไปฉันก็ตามไม่ฉันก็ตามต้องอาบัตทุกกฎชื่อทุรุปรจินนะคือต้องอาบัตอันมีการประพฤติที่ไม่ดีไม่งามเป็นปัจจัยเช่น เห็นเขาต้มข้าวอยู่ก็ไปเปิดฝาหม้อดูเอาไม้พายปาดฟองข้าวต้มเอาทับ พ, พีหรือกระบวยคนข้าวต้มหรือขย่าวต้นไม้จนผลล่วงลงมาการกระทำดังกล่าวนี้จัดเป็นทุรุปาจินนะแปลว่าประพฤติไม่ดีเพราะท่านห้ามว่าไม่ควรทำกลับไปทำอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคน พระโลเลขี่เล่นไปจับต้องห้ามฉันเฉพาะรูปที่จับต้องเท่านั้นส่วนรูปอื่นไม่ห้ามดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมัมมเนนต้มข้าวอยู่พิสุขนองมือเล่นจับภาชนะจับฝาหม้อปราดฟองที่พุ่งขึ้นทิ้งไปเฉพาะพิสุนั้นเท่านั้นไม่ควรจะดื่มเป็นอาบัตทุกกฎชื่อทุรุปรจินนะ ถ้าพิสุจับทัพพีหรือกระบวยแล้วคนไม่ยกขึ้นเข้าต้มนั้นไม่ควรแก่พิสุทั้งหมดอาการคนเข้านั้นเหมือนพระหุงเข้าเองเป็นทั้งสามปักกะหุงต้มด้วยตนเองและทุรุปรจินนะถ้ายกขึ้นเป็นอุขหิตพระจับทัพพีหรือกระบวยจุ่มลงในหม้อเป็นอาบัตทุกกฏชื่อว่าทุรุปรจินนะ ไม่ควรเฉพาะรูปที่จับเท่านั้นพระจับทั พ, พีหรือกระบวยคนไปคนมาเท่ากับหุงต้มเองเป็นสามปักกะไม่ควรแก่พระทั้งหมดพระยกทั พ, พีหรือกระบวยที่มีเข้าต้มติดอยู่ขึ้นอุคหิตไม่ควรแก่พระทั้งหมดพิสูจ์จับกิ่งไม้หรือเถาวันเขย่าผลไม้ที่เกิดอยู่บนต้นไม้เป็นต้นนั้น ผลที่ได้จากกิ่งไม้หรือถาวันนั้นไม่สมควรแก่พิสุผู้เขย่านั้นเหมือนกันและเธอย่อมต้องทุรุปรจินะทุกกฎ ด, ด้วยเพ่งถึงการเขย่าเล่นถ้าพระประสงค์จะต้มข้าวต้มด้วยตนเองให้สามนเณรถวายภาชนะพร้อมข้าวสารและน้ำแล้วยกขึ้นเตาต่อจากนั้นบอกให้เธอก่อไฟจนติดต่อจากนั้น พระทำอะไรได้ทุกอย่างไม่เป็นอาบัตทุกกฎชื่อว่าธุรุปาจินนะดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสมัมมาเนประสง์จะหุงข้าวไม่อาจจะซาวข้าวสารให้หมดกวดทรายได้พิสุพึงรับประเคนข้าวสารและภาชนะซาวข้าวสารให้หมดกวดทรายแล้วยกภาชนะขึ้นสู่เตาเถอดอย่าพึงก่อไฟในเวลาหุงจะต้องเปิดดู จึงจะรู้ความที่ข้าวเป็นของสุกได้ถ้าข้าวสุกไม่ดีจะปิดเพื่อต้องการให้สุกไม่ควรเพื่อต้องการไม่ให้ผงหรือขี้เท้าตกลงไปควรอยู่เมื่อเวลาสุกแล้วจะปงก็ดีจะฉันก็ดีควรอยู่จำเดิมแต่นานไปไม่มีกิจที่จะต้องรับประเคนใหม่สา ม, มนเณนสามารถจะหุงได้ แต่ไม่มีเวลาพอเพราะมีธุระจะไปที่อื่นพิสุรับประเคนภาชนะพร้อมทั้งข้าวสารและน้ำแล้วยกขึ้นสู่เตาสั่งว่าเธอจงก่อไฟให้ติดแล้วไปเถิดต่อจากไฟติดพงนั้นแล้วจะทำกิจทุกอย่างก็สมควรโดยในก่อนเหมือนกันพิสุตั้งภาชนะสะอาดต้มน้ำเดือดไว้เพื่อต้มข้าวต้มควรอยู่ เมื่อน้ำเดือดแล้วสามนเณรเกาะเข้าสารลงก็จำเดิมแต่นั้นไปพิสุอย่าเร่งไฟต่อ น, นั้นไปเป็นหน้าที่ของสามนเณรจะรับประเคนเข้าต้มที่สุกแล้วดื่มควรอยู่ไม่เป็นธุรุปรจินนะถ้าพระนั่งพิงยืนพิงโหนต้นไม้ที่มีผลเอาไม้คำ้ำต้นไม้ที่มีผลเพื่อป้องกันต้นไม้ล้ม หรือเอาหนามผูกไว้กับต้นไม้ที่มีผลนั้นเพื่อป้องกันคนขึ้นไปขโมยผลไม้ควรอยู่ไม่เป็นอาบัตทุกกฎชื่อว่าทุรุปาจินะดังที่ท่านแสดงไว้ว่าต้นไม้ที่มีผลพิสุจะพิงหรือโหนสมควรอยู่ไม่เป็นทุรุปาจินะพิสุจะค้ำต้นไม้ที่มีผล หรือผูกน้มไว้ที่ต้นไม้นั้นควรอยู่ไม่เป็นอาบัตทุกกฎชื่อว่าทุรุปจินนะถ้าโยมต้องการจะช่วยเหลือพระไม่ให้ท่านต้องอาบัตจากอุคหิตและทุรุปจินนะเวลาทำบุญจะเป็นที่บ้านหรือที่วัดอย่าเอาอาหารมาตั้งไวไ้ใกล้ๆพระให้ตั้งไว้ที่อื่นก่อนเวลาจะถวายค่อยยกมาเพราะพระบางรูปไม่รู้วินยัย บางรูปไม่สำรวมมือบางรูปชอบประจบโยมถ้าเอาอาหารมาตั้งไว้ใกล้พระเหล่านี้ท่านก็จะจับอาหารนั้นทันทีโดยวิธีจับโยกย้ายไปข้างโน้นข้างนี้ของนั้นเป็นอุคหิตบ้างเป็นทุรุปจินนะบ้างพระนำมาฉันต้องอาบัตทุกกฎ